ในช่วงของการทรงสุดตะสั่งสมสุดตะแนวเนี่ยถ้ามาพระไพบุญก็มากับคุณหมอรัตพงศ์ครั บ, นะร บ, นะร บ, บครับนักการครับผมรัตพงศ์กหนกวิรุณครับเรากำลังพูดถึงในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะคุณหมอรัตพงศ์ครั บ, รบหลักฐานที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือที่ปรากฏมีมาอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกฉบับสังเขยนาครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะมีคําสอนที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ เพราะฉะนั้นในในฐานะผู้ที่เป็นผู้ที่ศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงต้องกลับไปศึกษาในเรื่องของพระไตรปิฎกที่เขารวบรวมกันไว้เป็นพระสูตรเป็นพระวินัยพวกนี้นะครับจึงจึงเป็นการที่เราจะทำรายการตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ศึกษาพระสูตรไปด้วยก็ <Okay. S 2> คือตัวตัวธรามะเองก็จะไปอ่านในแต่ละพระสูตรแตในพระไตรปิฎกทุ ก, ท, กทุกพระสูตรเราก็จะไล่ไป แล้วก็เอามาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังโดยมีคุณหมอเรื่องโปงเนี่ยเป็นผู้ที่จะร่วมการสนทนาด้วยเพื่อที่จะมีก็สงสัยสักถามใดๆที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาครับถ้าท่านที่สงสัยก็ถามมาในช่องทางของพิลธรรมะ com ได้เช่นเดิมใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ที่เว็บไซต์นี้ก็จะสามารถที่จะสื่อสารกับทางรายการเราก็จะนําคําถามในแต่ละพระสูตรที่อยู่ในเรื่องใดเรื่องใดเนี่ยมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังครับอับนดับแรกเนี่ยที่ต้องให้ฟังเรื่องนี้ก่อนนะคือตอนนี้ก่อนเนี่ย พื้นดีจะตเป็นการที่แนะนําเป็นอินเทอร์ดักชั่นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจก่อนแต่นะว่ารายการเนี้เป็นการที่ให้ทรงสุดตาสั่งสมสุดตะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาพระสูตรต่างๆมาศึกษากันโดยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ในช่วงตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะได้อ่านพระไตรปิฎกไปด้วยเลยโอดีครับซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างกันนิดนึงก่อนอ๋อเป็นยังไงครับโดยที่เขาใช้คําว่าไตรปิฎกเนี่ย ก็คือมีอยู่หมายถึง3ส่วนในปิฎกในพระวัตก้ใช่ไหมไตรก็คือ3มีอยู่3ส่วนด้วยกันประกอบด้วยอะไรบ้างครับสิ่งที่เราจะโฟกัสมาดูกันในในช่วงของรายการนี้คือส่วนที่เรียกว่าสุดตันตปิฎกตอนนั้นนะมาสุดตันตปิฎกก็คือหมายถึงเรื่องปิฎกที่รวบรวมเรื่องราวที่เป็นพระสูตรในพระสูตรพระสูตรคืออะไรในพระสูตรในในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงคือมันมาจากรากศัพท์คําว่าสุดตานะ สุตะเนี่ยหมายถึงการฟังเป็นการฟังการฟังเทศการฟังธรรมอย่างเงี้ยคือสุตตะมันมาจากรักษาคําว่าเสียงอ๋อโสตฯโสตฯนี่คือหูใช่เกี่ยวกับเรื่องของหูเรื่องของเสียงพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆใดๆเนี่ยที่เขาบันทึกเอาไว้ในสมัยพุทธกาลนะเขาก็จะรวบรวมเครื่องมาเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นพระสูตรซึ่ง บางทีมันอาจจะเป็นคาถาบ้างเป็นพระสูตรบ้างเป็นคําอุทานบ้างเป็นคำไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องชาดกอะไรต่างๆตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นพระสูตรเพราะฉะนั้นในส่วนที่ที่เป็นพระสูตรเนี่ยมันก็จะมีบทสนทนาบ้างใช่ไหมเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าว่าเอออยู่ที่นี่คนนี้คิดอย่างงี้คนนั้นมาคนนั้นไปซึ่งตรงนี้จะมีสังสิ่งที่เป็นคำพูดพระเจ้าอยู่ด้วย เป็นสิ่งที่เป็นคำบอกเล่าด้วยเป็นสิ่งที่เป็นบทสรุปนาก็อีกฝ่ายหนึ่งด้วยหรือของใครของใครที่อยู่ในตัวละครในเรื่องเรื่องนั้นอันตรงนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นเรื่องของพระสูตรพระสูตรทีนี้ในในทางคําสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยพวกเราที่ศึกษาคําสอนเนี่ยก็ต้องเน้นย้ําอย่างหนึ่งว่าเอาเราจะต้องกลับไปหาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทนะว่าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยพูดอะไรใช่าเพราะฉะนั้นในการศึกษาตรงนี้ ก็จึงต้องมาฟังพระสูตรซึ่งแน่นอนพระสูตรก็มีส่วนที่เป็นพุทธพจน์ด้วยส่วนที่ไม่ใช่ด้วยพระเจ้าจึงใช้คํานี้ขึ้นมาก็เรียกว่าสุดตันต์นะสุดตันต์เนี่ยไม่ใช่พระสูตรนะสุดตันต์คืออันตะบวกกับสุดต์นะอันตะนี่คือส่วนสุดนะคือที่ยอดยอดออกมาออกมาครับสุดตันต์นะสุดตันต์คืออันตะโบกับสุดต์นะหมายถึงความที่ยอดยอดของพระสูตรนั้นนะคือใจความสําคัญของเรื่องนั้นอ่ะพูดง่ายๆ อย่างสมมติเราไปฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมุติคุณไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งถูก<ล>ัหมแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยโอ้สุดสําคัญคลายแม็กซ์ของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้หนะ่ะคนนี้พูดอย่างนี้บทสน้นาที่สําคัญสำคัญอะไรคุณก็มาเล่าให้เขาฟังไปใน5นาทีคแต่ในที่ห <5, S 2> ้าใช่5นาทีตรงเนี้ยคือส่วนสรุปย่อดความมาเรียบร้อยแล้วของเรื่องนั้นๆนะเพราะฉะนั้ น, น, นพระเจ้าจึงใช้คําว่าสุดตนตระในะสุดตนตระไม่ใช่ประสูตรแต่หมายถึงส่วนยอดของสูตรนั้นๆ นั่นคือจับใจความสำคัญมาล้ครับอ่าตรงนี้คืออะไรบ้างนั่นคือข้อความที่เป็นความหมายลึกมีความหมายลึกซึ้งนัเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเป็นคําของผู้เช่าก็มีครับหนึออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนสุดของเรื่องราวใดๆเนี่ยที่มีลักษณะ4อย่างเนี่ยเราต้องออกมาฟังอ๋อสี่อยางคืออะไรบ้างนะครับอ่าก็คือว่าเป็นเรื่องมีความหมายลึกซึ้งความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระโลกุตระว่าเฉพาะด้เรื่องสุญญตา สุญญาตาอ่าเป็นคําของพุทธเจ้าแน่นอนว่าคําของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฟังอยูแล้วถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บานที่อาจจะมีคอมพลีเคชันหรืออิมพลีเคชันใดๆที่เป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่ใช่ครับอ่าซึ่งตัวนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะซึ่งตัวนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ก็ใช่ไหมอิมพลีเคชัน อ, อย่างเช่นางคนนี้เขาคิดอย่างนี้มาก่อนเขามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้ทําให้เขาพูดอย่างนี้แล้วสถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่าเนี้ ซึ่ง Implication, Context หรือว่าเนื้อหาคอนเทนต์ของเรื่องมันอาจจะทำให้มีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นได้ตรงนี้ก็คือเป็นข้อความที่มีความลึกซึง้งอันนี้เราก็ต้องเอาสุดตันต์นตรง น, นั้นเนี่ยมาทราบนี้จะต้องเป็นสรุปใจความสาคัญต ร, ตรงนี้ของเรื่องอาากันยังไของพระสุดนันนันในทางตรงกันข้ามนะมารวบงถ้าบางคนเนี่ยไปจับใจความไม่ถูกนะไปจับใจความไม่ถูกคือสุดตันต์เ่าใด คุณนันไปเอาส่วนสุดส่วนสําคัญเนี่ยดันไม่เอาเรื่องที่แบบไม่ใช่เป็นเรื่องเนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตรงนี้ก็จึงจะพลาดนซึ่งพรุทธเจ้าบอกว่าเอาเอาดันไปเอาเรื่องที่เป็นคําแต่งใหม่เนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าตรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใจความสําคัญและคุณมาสรุปว่าเป็นใจความสําคัญน่ะเป็นเรื่องที่เป็นคําพูดทัวท่วไปแต่คุณมาสรุปว่านี้เป็นสุดตันต์มันจะไม่ถูกนะมันจะเข้าใจผิดจะทำให้เข้าใจความหมายของพระสูตรนั้นนั้นผิดไป ให้เข้าใจความหมายของคำสอ ง, องพระเจ้าเนี่ยไม่ถูกมีประเด็นเพิ่มเติม ต, ตรงนี้นิดหนึ่งมลรรพงเกี่ยวกับเรื่องของว่าตัวส่วนสุดของพระสูต ร, รที่ว่าเป็นคําของพระุทเจ้าเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราไปสําคัญผิดไปสําคัญผิดว่าส่วนที่สําคัญสําคัญเนื้อหาสําคัญเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคําสละสรวยแ ล, แล้วก็ตรงนี้ในพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษเนี่ยเขาได้แปล ถ, ถึงว่าเป็นเรื่องของคนนอก เน่ยเป็นเรื่องที่นอกคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่แต่เรามาสําคัญว่าอันเนี้ยน่าจะต้องเป็นส่วนสําคัญของเรื่องราวที่เราควรจะต้องศึกษาอันนี้จะทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหายไปอ๋อสำคัญผิดสําคัญผิดว่าเรื่องนอกอื่นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คําสอนของพุท ธ, ธะอันนี้จะเป็นความสำคัญอันนี้จะผิดละแล้วทีนี้ส่วนที่พูดถึงว่าเป็นคํากล่าวของสาวกตรงนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปล ถ, ถึงว่า สาวกของคนพวกนั้นยกตัวอย่างเช่นอะไร อ, อย่างเช่นเรื่องของเชคสเปียร์เชคสเปียร์เนี่ยเป็นคําสอนที่นอกคําสอนของพุทธะถูกหมเพราะฉะตรงนี้คือเป็นเรื่องของเรื่องนอกแนวในความหมายตรง น, นี้ก็คือเป็นเรื่องที่นอกคําสอนของพุทธะแล้วถ้าใครเป็นสาวกของเชคสเปียร์มากล่าวคําพวกนี้อยู่เราจะต้องไม่ฟังหรือแม้แต่ในเมืองไทยเราก็จะมีเช่นชุนทอนผู้ หรือบทละครเรื่องรามเกียรติ uh, ์นะซูนต้อนผู้เช่นพระอภัยมณีอย่างนี้เป็นต้นหรือรามเกียรติ์ซึ่งอันนี้เป็นคำคำกลอนที่สละสลวยมากแล้วก็เป็นเรื่องนอกคําสอนของพุทธคือเขาจะพยายามจะสอดแทรกคําสอนของพุทธอยู่ในเรื่องของเขาอยู่ก็มีจะไม่อย่างเรื่องรามเกียรติ์ก็ตามอย่างเรื่องพระอภัยมณีก็ตามแต่ว่าส่วนเรื่องที่มันไม่ใช่คําสอนของพุทธเช่นเรื่องความรักเรื่องกามอะไรมันก็มีอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติ เราคิดว่าโอ้โหตรนี้แหมเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปศึกษารามเกียรติ์หรือว่าพระภัยมณีเอยเนี่ยรเราไปทุ่มศึกษาตรงนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษาเราเรียนคำสอนของพุทธาก็จะหายไป<อ>แล้วถ้า<ม>ใครเป็นสาวกของ ค, ค, คนที่เชียร์เรื่องพวกนี้นเชียร์เฮ้ยต้องแม้ต้องศึกษาเช็คสเปียร์ซิ่งน ะ, ะเราก็ไม่ควรจะฟังตัวนั้นถ้าเราฟังก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ส่วนสุดหรือว่าคําสอนที่หลักๆสําคัญเสื่อมลงใช่ เพราะนั้น ค, คือคือเราต้องทําความเข้าใจว่าถ้าเป็นสาวกในคําสอนของพุทธะเนี่ยก็ต้องก็ต้องสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แน่นอนถูกต้องครับถูกไหมถึงจะเรียกว่าผู้เดินตามทีนี้คําว่าสาวกตรงเนี้ไม่ได้หมายถึงสาวกของพุทธะแต่หมายถึงสาวกของคนนอกเหล่านั้นอ่าถ้าดูตามหลักภาษาเราก็จะเข้าใจมากขึ้นมาอ๋อสาวกตรงเนี้คือสาวกของคนนอกเหล่านั้นครับอ่าอย่างเช่นว่า เรื่องคำพี์พิชัยสงครามซุนบูอย่างเงี้ยอ่าหรือบทละครเรื่องสามก๊กอย่างเงี้ยพวกที่เขาแบบศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวอทําเป็นวิทยานิพนธ์อะไรพวกนี้ก็คือสาวกของคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วเขาพยายามจะมาโฆษณาบอกว่าเออคนคุณต้องเรียนสิคุณต้องศึกษาเอ้ยถ้าเราไปศึกษาตรงนั้นะจะเป็นการท่านเสื่อมของคําของพุท ธ, ธได้ครับตัวมาเองกับคุณหมารุพงศ์เนี่ยเขาจึงมา พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ในแต่ละพระสูตรไล่ไปไล่ไปนะตามความสามารถของของตัวามานะครับซึ่งบางทีเราศึกษาต่อไปเราอาจจะมีความสามารถมากขึ้นในภาษาบาลีก็ค่อยว่ากันไปนะแต่ว่าเรื่องราวใดๆที่พอจะเอามาพูดคุยทำความเข้าใจอ่าก็ก็เลยจะเอามาพูดคุยกันไล่ไปทีละพระสูตรเพื่อที่ให้เข้าเข้าถึงจุดที่ว่ามีความหมายลึกซึ้งนีมีอะไรเป็นสิ่งที่พรวดพจน์อ่าที่เราจะต้องมาจำมาทําความเข้าใจเกิดขึ้น ในีใ่ที่ท่านผู้ฟังต้องไปทําด้วยเพราะว่าในการที่จะฟังธรรมะของพระุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเราต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยก็ควรจะอ่านประสศุนนั้นๆมาด้วยอ่า น, นล่วงหน้าใช่ไหมครับใช่ใชอ่านล่วงหน้ามาก่อนที่จะมาการฟังการสนทนาตรงนี้แล้วอ่านที่ไหนครับท่านก็อ่านที่เว็บไซต์พิเอลธรรมะ .com อ๋อท่านจะลงให้ล่วงหน้าใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่หรือว่าก็สามารถที่จะฟังได้ ธรรมะก็จะอ่านเรื่องพระสูตรนั้นเนี่ยลงเป็นไฟเสียงเอาไว้ก่อนแล้วก็แนบให้ฟังตัวพระสูตรก่อนแล้วก็มาฟังการสนทนาเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาที่สำคัญสำคัญของพระสูตรนั้นนั้นอย่างี้ครับจุดที่ที่ต้องทำความเข้าใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลังจากเราฟังพระสูตรอ่านพระสูตรของเราเองแ ล, แล้วเรามาฟังการบทสนทนาอะไรต่างๆแล้ ว, ลวถ้ายังมีตรงไหนไม่เข้าใจถามได้ แล้วก็แน่นอนถ้าตรงไหนไม่เข้าใจคุณต้องกลับไปหาตัวมรดิกาตัวแม่บทตรงนั้นไวที่ไม่เข้าใจใว่าตรงนั้นมันคืออะไรนะเพราะบางทีเนี่ยความไข้ควรความเข้าใจของแต่ละคนก็มีความเข้าใจมากน้อยไม่เท่ากันเพราะในการที่เราแบ่งไปกับคนอื่นด้วยหรือว่าการที่เรามีความคิดในแนวอื่นๆก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้ ค, นะคำนี้มีความหมายลึกซึ้งนะคำว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเนี่ยส่วนตัวก็ชอบมากเลยครับ และนั้นี่เป็นตอน introduction เพื่อที่จะให้ทํานฟังเข้าใจต่อไปก็จะทำความเข้าใจถึงว่าในประไตรปิดกที่เรียกว่าสุตรตัปรดปิฎกสุตรตันตปิฎกเนี่ยอาพระสูตรนะแบ่ ง, แ บ, ง, แ, บงแบ่งกันนะจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้แตนะ่หมวดหมู่แรกๆอันไหนพระสูตรไหนที่มันยาวนะมีความยาวเป็นหลายๆ10หลาย20หน้าหรือบางทีี่สหน้าอย่างเงี้ยก็จะเอามารวมรวมกันไว้ในเล่มหนึ่ง ก็เรียกว่าทีคารนิกลายเป็นหมวดหนึ่งหมวดนี้ก็จะมีหลายเล่มอยู่3ามสี่เล่มหรือว่าห้าเล่มก็วาไปอเพราะว่าด้วยความยาวของพะสูตรด้วยมันก็หลายพะสูตรรวมกันมันก็เลยเป็นหลายเล่มอ๋อครับแต่ส่วนในพะสดุที่มันขนาดกลางๆจะคือขนาด10บหน้า5้าหน้าหรือจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นประมาณนี้ก็เอามารวมรวมกันไว้ในพะสูตรขนาดกลางก็เรียกว่ามัชิมานิกายมัชิมานิกายก็จะมัชิมแปลว่ากลางอ่ามัชิมก็แบบว่ากลางทีคาแปลว่ายาว ทีนี้ส่วนไหนที่เป็นเนื้อหาเรื่องที่ร้อยเรียงกันเป็นสั้นๆเขาก็จัดมาหมดหมู่ๆรวมๆกันเช่นเรื่องเทวดาก็ไปจัดหมวด ห, หมู่หนึ่งเรื่องของพราหม์ก็จัดหมวดหมู่หนึ่งแต่เป็นเรื่องสั้นๆเนี่ยตัวนี้เขาก็มารวมกันเรียกว่าสังยุตตนิ迦อ๋อสังยุตตนิกใชใช่ใชซึ่งจริงๆแล้วบางทีสังยุตตนิ迦บางสูตรเนี่ยก็ยาวกว่ามัชชินิกายด้วยซ้ำบางทนะีหรือบางจุด ก, ก็ยาวพอๆกันแต่ส่วนใหญ่จะสั้นกว่านะก็เลยไปรวมอยู่ในสังยุตตานิกาย นี่คือหมวดที่3ครับนัในหมวดที่4ี่ก็คือเรื่องราวอะไรที่มันเป็นหมวดเป็นข้อพระห่าพระ5ก็จะอยู่หมวด5้าพวกนี้ที่แบ่งเป็นตัวเลขตัวเลขอะไรต่างต่างครับพระช่องเจ็ก็จะอยู่หมวด7นัมาก8ก็อยู่หมวด8ปดครับนัในหมวด5ก็จะมีอินทรีห้าด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมารวมรวมกันว่าก็เรียกว่าเป็นอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายใช่นี้ก็จะเป็นตัวเลขตัวเลขไปอนะ เราก็จะมีหมวดที่เป็นธรรมบทหมวดอะไรอื่นๆไปต่อไปอีกในนี้น ท, ที่ทางรายการเนี่ยเราจะโฟกัสเราจะมาพูดคุยกันเนี่ย <c oughs> ก็จะมีที่คณิกายมัชฌิมานิกายสัญยุตานิกา ย, ย, กายแล้วก็อังกุตนาติกายใ น, นในสี่หมวดนี้ใ น, นโดยบางครั้งเราก็จะเอ า, อาพระสูตรนี้ในหมวดนี้นมาพูดกันเอาพระสูตรนั้นในหมวดนั้นมาพูดกันบางทีเราอาจจะพูดเรื่องมัชฌิมานิกายก่อนพระสูตรนี้หรือเดี๋ยวอาจจะไปพูดถึงเรื่องของสัญญุตานิกายพระสูตรนี้ คุยกันไปอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งก็แล้วแต่ก็จะก็จะทาให้ผ่านไปปีหนึ่งปี3มปีเราก็จะอ่านพระไตปิฎกนีหมดเล่มเลยหมอรัตง์ครับสาธุครับหมดเล่มคือหมดส่วนที่เป็นสุดตัปิฎกทั้งหมดสุดตันตปิฎกทั้งหมดใช่สุดตัณฑปิฎกทั้งหมดตรงนี้ทั้งทีขนิกายมัชฌิมนติกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกาเนี่ยตัวอาตมากม่รพง์ก็จะค่อยๆทาไปที่หนึงจะทำตอนองตอนอ่าพระสูตร2ระสูตร เรได้ไปฟังฟังส่วนที่เป็นตัวมาตรกาตัวแม่บทเดิมนะคืออันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วในการที่จะต้องทําสิ่งเสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังก็เอามาให้ได้ฟังครับอ่าโดยการที่โดวธรมย ก, ก็จะไปอ่านมอานรองก็จะอ่านมาก่อนครนะเราก็จะมาะทําส่วนที่2ก็เรียกว่าทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งนะสับบาลีบางสับเราอาจจะไม่เข้าใจ อ, าอ่าธรรมาก็จะมาอธิบายให้ฟังอย่างเงี้ย น, นะเพื่อที่จะทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง ก็นะ<ม>จะเป็นหน้านที่2 อ, อย่างของพระสงฆ์ที่ที่จะต้องทำล่นะะเพราะฉะนั้นก็ให้ทําความเข้าใจในเบื้องต้นตรงนี้ว่านี่แหละคือลักษณะของรายการที่จะให้มีการทรงสุดตาสังสมสุดตาคือการฟังนะพระสูตรต่างๆแ ล, แล้วก็เพื่อที่จะให้เราได้อ่านพระไตรปิฎกนะในส่วนของสุตตันตปิฎกได้ครบทีเดียวถ้าเราฟังไปเรื่อยๆนะครั บ, รบนะรเพราะฉะนั้นถ้าในช่องทางที่จะติดต่อทางรายการก็ที่เว็บไซต์เพนะียว a m a มะ .com อย่างที่เคยทํามา และเราจะเริ่มสักรารใหม่ของการที่ศึกษาคำสอนของพระเจ้าและโดยไล่ไปตามพระสูตรอย่างนี้จะดีมากทีเดียวครับก็ย <ๆ S 1> ังไงท่านที่เพิ่งมาฟังใหม่ก็ค่อยๆนะครับค่อยๆปรับตัวปรับใจถือว่าเป็นได้การศึกษาพระไตรปิฎกในในเชิงลึกนะครับอืมโอเคงั้นก็ทำความเข้าใจกันดังนี้ก่อนนะบอหน้าบองอาจารย์บานครั บ, บกลับนักการครับ